ธรรมชาดกแผ่นที่สองลำดับที่ยี่สิบโดยหลวงพ่ออินทาวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่ยี่สิบสิงหาคม2546มีชื่อเรื่องว่าอดีตกรรมของพระติสะวันนี้เป็นวันร่วมกันปฏิบัติธรรมวันหนึ่ง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 ถ้าหากว่าเรายังขาดเหลือขาดตกบกพ้่องตรงไหนอย่างไรก็พยายามทำให้เต็มตื่นขึ้นหรือพยายามเร่งความภาคความเพียรขึ้นความภาคเพียร น, นั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกทุกท่านจะต้องลงมือประพฤติปฏิบัติครูบาอาจารย์หรือในเทพในหนังสือ ท่านก็มีแต่แนะนวทางสาหรับพวกเราเท่านั้นส่วนที่จะลงมือประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราสรุปแล้วก็คือพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือคําแนะนาสั่งสอนของครูบาอาจารย์เหมือนกับชีห้หนทางให้เดินเท่านั้นนี่นะเดินต้องเดินอย่างนี้นะเดินไปทางนี้นะ แต่พวกเราไม่กล้าเดินไม่เดินตามก็ไม่เกิดประโยชน์ช่วยไม่ได้เพราะเราไม่กล้าเดินเองเพราะนั้นพวกเราทุกทุกท่านที่เขามาบวชในพุทธศาสนาเมื่อได้ยินได้ฟังทำคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทมสั่งสอนของครูบาอาจารย์ในเทปในหนังสือที่พวกเราได้ศึกษาควรจะใส่ใจ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 การมาอยู่ในที่สงบแห่งนี้ถ้าว่าพวกเราไม่มีความมุ่งหวังมิมีความตั้งมั่นไม่มีความมุ่งหวังอันใดมาอยู่ชักจะว่าเขาให้บวชมาก็บวชมาพอมาอยู่เขามาบวชแล้วจะเป็นผู้อึดอัดนับวันนับเวลาว่าจะไงจะถึงเวลาที่จะครบกําหนดเหมือนเขาเข้าอยู่ในคกุกอยู่ในตารางอย่างนั้นแหละ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 แก่โครงการเรียนยาการคงการเรียนแก่ในการนักเรียนศึกษาต่อไปภายภาคหน้ามูพกเพื่อนสหพรมวจันทรพิภูสัมมาเนนมาซักไซ้เหลี่ยงมาถามเนืองหลักธรรมวินยัยเราก็ตอบได้อย่างฉะฉานเพราะเราได้ศึกษาเราได้อ่านไว้แล้วนะเรา่็อ่านเพิ่มเติมไว้อยู่ตลอดเวลาอันนี้แปลว่าเป็นผู้มุ่งมั่นในหลักธรรมวินยัย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 ใครก็ตามต่อไปภายภาคหน้าถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้ น, นก็มาซักใ้ไล่เลียงมาถามปัญหามาปรึกษาปารบเพื่อจะปรับปรุงแก้ไขการเป็นอยู่ของเขาเราก็ให้คำปรึกษาปารบแก่เขาได้อันนี้คือพระที่ได้ศึกษาทั้งหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าต้องเป็นผู้รอบขอบอย่างนั้นนะอันนี้ก็คือพระบวชเก่าท้งอกตั้งใจจากนั้นทางด้านจิตใจก็ ขมักขเมนเป็นผู้ตั้งใจเป็นผู้ฟังยินดีฟังฟังจากครูบาอาจารย์ฟังจากหมู่จากเพื่อนเป็นผู้ศึกษาสุตตมยปัญญาการได้ยินได้ฟังก็คือเป็นหนทางแห่งปัญญาทางด้านหนึ่งจินตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาการการ ท, ท, ทวนเหตุและผลเมื่อได้ยินได้ฟังแล้ว นำมาทบทวนปรับปรุงแก้ไขภาวนามาย์ปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาที่ทําจิตให้สงบแล้วก็นํามาไตรตรองดูเหตุและผลอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆ ท, ท่านวันนั้นอยา mm. อยู่แบบไม่คิดไม่อ่านเอไม่ได้อยู่แล้วต้องคิดต้องอ่านการเป็นอยู่ของเราขาดเหลือขาดตกอะไรบ้างอืม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 ให้รู้จักให้อยู่ในกรอบของเหตุและผลทางว่าผู้เคยดันทุลังมันชอบดันทุลังเนะ่ไม่ชอบฟังคำของใครมันเป็นนิสัยมาติดพบติดชาติมันมีอย่างนั้นเพราะพระพุทธเจ้าท่านเคยแสดงธรรมให้มันดาภาษาวกทางหลายตลอดถึงอุบาสกอุบาสิกาถ้าเราใดไปอ่านได้ไปศึกษาในพระไตรปิฎกหรือชาดกต่างๆพระพุทธเจ้าจะปารบขึ้นมาว่า ภิกษุองค์นี้ไม่ใช่แต่พูดยากเนี่ยแต่ในภพนี้ชาตินี้เท่านั้นนะอนดีตแต่ชาติก็พูดยากเหมือนกันอ่าอย่างนี้เป็นต้นนะเรียกว่าภิกษุองค์นี้เป็นบันติดเป็นผู้ฉลาดในอนดีตชาติเขาก็ฉลาดมาอย่างนี้เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นนะบางทีผูธ ด, ดจามบอกว่านี่คนคนนี้พระองค์นี้เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายเป็นผู้ดูแลบิดามารดา ในอดีตชาติมาพบนิชาตินี้เขาก็ยังติดภพติดชาติยังดูแลยังเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนอยู่อย่างนี้ก็มีนะแต่จะยกตัวอย่างที่ว่าภิกษุที่ว่าแข็งกระด้างไม่ยอมฟังใครนะในครั้งพระพุทธเจ้ามีอยู่คือเป็นเชื้อพระวง์ของพระพุทธเจานะ้าเป็นลูกอะไรพระปิตุชา้าถึงกคงจะเป็นพวกปู พี่น้องทางปู่คงจะเป็นอาเป็นลูกหน้าลูกอาอย่างนั้นขะมัง่ง เ, เขามาบวชเมื่อภายแก่ไอ้เอา่าอยากจะอวดตัวเองนั่นนะมิสไยอวดมันมีได้นมนุษย์ชาติของเรานะเนี่ยอยากจะให้อวดว่าข้าเป็นบุคคลสำคัญในวัดนี้นะลักษณะนั้นอยู่วัดป่าเชตวันมหาวิหารพอบวชเข้าไปก็นั่งเอเตะอยู่บนศาลา ก็คลองผ้าอย่างดีว่างั้นเถอะนั่งพระทั้งหลายมาเขาเขามากราบมาไหว้มาถามไทยตัวเองก็พึ่งบวชเข้ามาใหม่เวลาเขาถามก็ไม่รู้เรื่องถึงได้กเก็บเงิบเขามากลับกขยกมือไหว้เขาตะพัดตะพือว่างั้นเอถอะที่ว่าเป็นผู้ใหญ่แต่นี้พระหนุ่มองหนึ่งก็เลยถามว่าท่านบวชมาและกี่พรรษาและทับท่าน โกอกไม่ได้เี่พระทีนี่นี่บอกว่าข้ายังไม่ได้พรรษาเอาทําไม่ได้พรรษาท่านทําไมมาอยู่อย่างนี้นะท่านทําไมไม่เคารพพระเถีละท่านทําไมจึงไม่เออเอาหาห่าหน้านําหาอะไรมาให้พระที่เป็นอาคารทุกกะมาท่านทําไมจึงนั่งเฉยเมย อ, อยู่อย่างนี้ท่านทํานี้ไม่ได้หนีพระหนุ่มเขาไล่ได้ทีนี่เพราะอายุพรรษาเขาแก่กวา่าเด้พระองค์นั้น โมโหขึ้นมาว่าหาขาว่าดูถูกลูกหลานตัวเองทีนี้เพราะตัวเองเป็นเชื้อพระวงศ์เป็นลูกหลานพระพุทธเจ้าเน๊อทีนี้ก็ดูให้เขาเอาไปมาร้องห่มร้องให้ที่ว่าหาว่าพระหนุ่มดูถูกไปฟ้องพระพุทธเจ้าอนะข้าจะฟ้องพระพุทธเจ้าพวกท่านรู้ไหมว่าข้านีนเป็นใครคุณนะดูใครข้า ว, วดจักรดาเขาอีกอ่ยข้านีนเป็นใคร เป็นเชื้อพระวง์ของพระพุทธเจ้านะวงก บ, บินละพัดนะพวกท่านรู้ไหมเป็นใครถูกพระทลายกับหนาวหนาวร้อนๆเหมือนกันนะ่ะกลัวพระฉันจะไปฟ้องพระพุทธเจ้าปณิภพาวันั้นก็ไปพระเหล่านี้ก็ตามไปด้วยว่าเขาจะฟ้องเรื่องอะไรพอไปถึงกับพระพุทธเจ้าก็าถามว่าเอา้าทําไมติดสะเธอจะไม่น้าําตาอาบหน้าอย่างนี้เธอเป็นทุกเรื่องอะไร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 เอาน้ำเอาถามาถวายทันไหมเธอได้แนะนําทันำทำไหมว่าเวลาปิดธบาเวลาเท่าไรเอกิจจวัตรแล้วพักอยู่ที่ไหนท่านได้บอกไหมท่านได้ปฏิสันถานในทางแนวนี้ไหมพระติดสาวบอกไม่ได้บอกไม่ได้ทําถ้าไม่ทําเธอไปทําอย่างนั้นไม่ได้ถ้าเธอทําอย่างนั้นอให้พระองค์อื่นกราบท่านเป็นนบัตทุกกฎไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเธอขอขอมาใชขอขอมาพระ ที่มาซะยอมขอขอมาพระติดสัไม่ยอมลุกเดี่ยวพราหัวดื้อเท่านั้นแ่ไหนๆเราบอกคนหัวดื้อนะนี่พระหัวดื้อมีเลยไม่ยอมจังไงก็ไม่ยอมหัวเด็ดตีนขาดไม่ยอมเพราะพระบนั้นลุกลานข้าพระองค์น่ยจะให้ข้าองค์ไปขอโทษได้ยังไงไงขนาดพระพุทธเจ้าบอกให้ขอโทษทแท้แท้ยังไม่ยอมนีพระที่มาก็เลยบอกว่าพระพุทธเจ้าขาท่านติดสัตว์เป็นคนหัวดื้อหัวั้าน ไม่ยอมฟังพระเจ้าขา่านั่นน่ะสิพระพุทธองค์ก็บอกว่าอติดสานี่ไม่ใช่แต่เพียงชาตินี้นะชาติก่อนก็เป็นคนหัวดื้อหัวล้านเหมือนกันไม่ยอมฟังใครเหมือนกันพระสงฆ์ก็เลยถามว่าในครั้งไหนพระเจ้าข่านิีพระที่เป็นหัวดืว้อหัวล้านอย่างนี้ พ, พุทธองค์ก็เลยยกนิทานในชาดกให้ฟังในอดีตชาติเออ เขาเกิดอยู่ในเมืองกรุงพาราณสีนะนะก็จากนั้นเขาไปบวชอยู่ในป่าป่าหิมพานป่าดงผงไผอย่างนั้นพออยู่ในป่าไม่ได้กินเกลือนี่ยพวกคนไม่ได้กินเกลือเนี่ยดูมากมันจะไ ม, ไมะ่ไม่สะดวกอย่างนั้นแต่ทีนี้ติสาก็เลยเข้ามาเพื่อจะได้ทานอาหารพกของเข็มของเปรี้ยวอย่างนั้นแต่เขามาแดนมนุษย์ พอเข้ามาใกล้เมืองน่ะหาที่พักเอจะพักที่ไหนนะ้าก็เลยไปถามไทยบ้านเขาบวา่าวันนักบวชมาแถวนี้จะพักที่ไหนมีที่พักไหมชาวบ้านเาก็บอกว่ามีมีโรงนายช่างหมอ้ค อ, หมอคือช่างหม้อคือพวกตีหม้อเนี่ยตีหม้อดินเนี่ยอมีอยู่ที่พักของเขากลางวันเขาก็ทํางานกลางคืนเขาก็ว่างโดยมากพวก นักบวชนักพรตมาก็ไปพักค้างที่นั่นแหละเ่างั้นแต่แกลือีเนี่ยก็เลยไปถามกับนายช่างหมอกนายช่างหมอเอา้านิ ม, มนต์พักได้ครับกลางคืนผมไม่ได้ทําอะไรหรอกแต่ว่ากลางวันเนี่นผมทํางานให่ปั้นพักตามสบายๆเนีย่ยผมจะกลับบ้านแล้วก็กลับพอเห็นลือีมาค้งที่สองอีกเนีก็ไปถามนายช่างหมอกอาตมา จะขอพักในกําลังจะเดินออกไปข้างนอกแล้วนั่ะไปพบ ก, กันใกล้ๆที่พักนั่นน่ะท่านก็บอกเออทางว่าท่านลือศีองค์ก่รถ้าให้ท่านพักเกาะท่านก็ไปพักได้นะพักโดยกันก็ได้เนี่ยผมจะไม่กลับไปอีกแล้วพบกลางคืนบ่งบันเดยทํางานอะไรให้พวกท่านพักได้สบายท่านท่านลือีทั้งสองท่านพักโดยกันก็ได้นะผมไม่มีอะไรนะพักสบายๆครับผมท่านก็ในช่างหมอ ก, ก็กลับไป เทนีฤๅษีสองคนก็ไปไปกับไปสนทนาปารอบกันนะองค์ที่มาใหม่กขาเรียกว่าองค์ที่มาก่อนเป็นอาจารย์เหมือนนเถอะที่มีอายุมากกว่าอาจารย์อาจารย์เหมือนกันเทนี้ก็สนทนากันพอสมควรแล้วล่หาที่นอนของใครของเราเลือกนอนเอาเลยวนะแต่นี่รงช่างหมอแต่อเศฤๅษีผูมมาก่อนะที่มีอายุกว่าเนะี่ย ทั้งที่นอนก็น่าจะเป็นนอนที่หลบที่ดีๆงั้นเนี่ยกลับไปนอนไอ้ขวางประตูบานเนี่ยมันก็ไม่มีไฟฟ้าไม่มีไฟฉายได้บ้านเนี่ยไปนอนขวางประตูบานนี้ลือศีที่อยู่ข้างในพอดึกๆมาตีหนึ่งตีสองมาก็ปวดเบาเสร็จแล้วบานเนี่ยปวดเบามาก็คงจะไม่คิดว่าลือศีคงนอนอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้ ถามกันพอมันมืดแล้วก็พนธนากันเสร็จแล้วก็หาที่นอนใครที่นอนเราจะเรียกเขาหนดว่าตรงนั้นเป็นที่ประตูก็เดินมาพอเดินมามาเหยียบมาเหยียบไสดาของฤาษีว่างั้น่ะมาเหยียบหัวฤาษีว่างั้นแถอะเหยียบทงางหัวฤาษีฤาษีก็อ้อามันมาหาเหยียบหัผวผมทําไมเนี่ยวะมัโอ้ยผมคิดว่าอาจารย์ไปนอนที่อื่นเหมือ น, นผมขอโทษขออภัยนะ แก่งเ ย, ยบหัวกันนี่เลยเฉยๆนี่แหละอา้าอาจารย์นอนทำไมมานอนขวางประตูที่อื่นก็มีอยู่ก็กเลยจมพุมพำมพุมพำมพุมพำมเหมือนกันโมโหกันจัะจากแล้วก็หันหัวไปทางหนึ่งเอ็กบนัณฑอแกคิดว่ากลัวลือศีเข้ามาที่จะเยียบหัวตัวเองก็เลยหันหัวไปทางหนึ่งบัณฑ์ีือศที่มาใหม่ซึ่งสีหนุ่มเลยก็คิดว่าเออเมื่อคาวที่แล้วนี่ เราไปแทงมุนไปเหยียบหัวดือสีว่างั้นะเถอเราควรจะไปทางนี้ไปทางตีนบานนี้อพอเดินไปทางนี้ไฟบานนี้ไม่เหยียบไม่เหยียบหัวเลยไม่เหยียบตีนเลยนะบ้าเหยียบคอจะได้บ้านเอยพอดือสีมันหันหัวกลับว่างั้นเถอะดือสีแก่หันหัวกลับอีกทางหนึ่งตรงข้ามทางนี้แต่คิว่าจะเป็นทางเท้าว่างั้นทางตีนองดือสีไปบานนี้ก็ไปเหยียบคอเฉยๆบ้านเนีฮอกอักเล <_ t> เหรือสียิ่งโมโ ห, โหใหญ่เมื่อคราวที่แล้วไปเหยียบเหยียบชดาเหยียบหัวมัเหยียบผมมันนันแหะแต่บัดนี้เหยียบคอมันน่นแหละผลที่สุดจมพุมพำมพุมพำ ม, ม, มขึ้นมาแช่งสาบแช่งกันบาดเนี่ยเรียกว่าคนตื่นสีไม่ได้เรื่องเหมือนกันนะ เ, เป็นนักพจนนักบวชที่ไปหาสาบแช่งคนอื่นอ่ะเอท่านเดินออกมาคราวก่อน มาเหยียบสดามาเขานี่มาเหยียบคอของข้าพเจ้าดืสีหนุ่มก็บอกว่าความผิดไม่ใช่ความผิดของข้าพเจ้ามาเหยียบเขาก่อนข้าท่านมานอนขวางประตูไปมาคขานี้แ่ละข้าพเจ้าคิดว่าท่านจะนอนทางเก่าข้าพเจ้าก็มาทางตีนของท่านบัดนี้ท่านก็หันหัวกลับมาทางนี้อีกข้าพเจ้าก็ช่วยไม่ได้แล้วเอข้าพเจ้าทําดีที่สุดแล้วก็เลยทะเลาะกันสองดือสีว่างั้นเ่ะ จะลงหมัดลงมวยกันว่างั้นแต่ฤาษีมาใหม่ท่านมีคุณธรรมเนะ่ะท่านไม่สู้งั้นท่นนี้ก็สาบแช่งพระอาทิตย์ขึ้นมาขอให้สีราะของท่านแตกเจ็ดภาคผลวนเนี่ยผนสาบแช่งกันว่างั้นเลยทางฤาษีหนุ่มนี่ยก็บอกวา่าถ้าว่าข้าไม่ได้ทำไม่ไม่มีเจตนาอย่างนั้นคนที่สาบแช่งให้หัวแตกเจ็ดภาคเน่อยถ้าคน ถ้าข้ามอะไรคิดอย่างนั้นทีนี้พอสื่อสีนมเนี่ยเข้าไปนั่งสื่อสีนมเนี่ยระลึกชาติโหนหลังใดเดะเป็นภูมิยานเนี่ยยานธัตสนะระลึกชาติไปข้างหน้าก็ไรระลึกวักไปข้างหน้าได้แปดสิบชาติระลึกชาติหลังอีกแปดสิบชาติดีเพราะว่าบาปกรรมตัวนี้ศีสศาเน่าจะแตกจะตกถึงใคร แต่นี้ก็คิดไปก็ไปเห็นศีรษนนี่จะต้องอาจารย์เป็นผู้ฉาบก่อนต้องแตกแน่ๆเพราะไม่ใช่ความผิดของเราเลยหรือสีหนุ่มอาจารย์ต้องต้องแตกแจกเป็นเจ็ดภาคแน่นอนเอถ้าท่านมีอิทธิฤทธิ์ด้วยเด้ย่ยหรือสีหนุ่มะแต่เลยสีแกนะ่ไม่มีอะไรอย่างั้นแต่พอตอนี้หรืสีหนุ่มโอ้ไม่ได้ถ้าพระอาทิตย์ขึ้นมาเนี่ยสีสัะแตกแน่ๆเลยเนี่ย ปานนี้พระฤาษีหนุ่มไม่แห่พระอาทิตย์ขึ้นบ้านเลยเกำหนดพระไม่แห่พระอาทิตย์ขึ้นโดยยานะโดยฤทธิ์ของฤาษีหนุ่มตอนนี้คนทั้งบ้านทั้งเมืองเขาก็เดือดร้อนเลยตอนนี้บอกพระอาทิตย์ไม่ขึ้นเขาไปกาเปลียนพระราชาพระราชาวเอ๊เป็นอย่างนี้เลยต้องพกนักพรตนักบวชเนี่ยต้องทะเลาะกันแน่ๆว่ะนี่มันเป็นลักษณะอย่างนี้แปลว่ามันเคยเป็นมาแล้วเหมือนกันเถอะปลุกฤาษีสีภัยเนี่ย ทะเลาะเบาแว้งกันเนี่ยโดยมากมันจะเป็นบ้านเมืองหรืยว่าดินฟ้าอาการวิตปริอย่างนั้น่ะแหมทีรกเขาใครเห็นนักบวชมามาไหมเขาก็อบอกว่ามีฤาษีสองตนม า, าพักอยู่ที่โรงช่างหม้อโรงงานของช่างหม้อที่เขาตีหม้อดินนั้นพระเจ้าเป็นดินเน่ยติดคบเพลิงไปส ม, มัยนั้น ก็คงจะติดเทียนติดคบเพลิงไปกลางคืนมันมืดเนี่ยปอก็ไปถามถามก็ได้ความกันอย่างนั้นจริงจริ ง, ร ง, รงเลยผลที่สุดถามได้ความว่าถ้าพระอาทิตย์ขึ้นมาเนี่ยฤาษีแก่เนี่ยต้องวัวแตกแน่นอนอย่างนั้นผลที่สุดเอาอยัางไงก็ถามปรึกษากันกับฤาษีหนุ่มฤาษีหน่มชื่อสราระดาบด์นะฤาษีแก่นชื่อเทยวระ ด, ดาบด เทวละดาบทกบสารทดาบทเหมือนกันบอกว่าให้เทวลดาบทเนี่ยเวลาพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยให้ไปอยู่ในน้ํสาสระน้ําอยู่ข้างๆอยู่ไม่ ม, มีที่เขาขุดเอาดินขึ้นมาเนี่ยเอาดินเหนียวใส่หัวเหมือนเวลาพระอาทิตย์ขึ้นมาเนี่ยให้หมุดน้นําหนีดินหดดินเหนียวจะแตกเหมือนกัน อ, อันนี้ชาดกท่านว่าอย่างนั้นนะางานนี้เราก็ต้องฟังตามชาดกที่ท่านว่า ทีนี้ก็พระเจ้าไปดีกับบังคับให้นั้นกัตัวเองก็คิดกลัวตายเพราะกันแดดทิฏฐินี่ก็ยังยังยังแข็งอยู่วงั้นแอะแต่กลัวตายก็กลัวกลัวหังว่าจะแตกจริงๆรว่าเพราะพระอาทิตย์ไม่ขึ้น่เลยก็รู้เลยเนี่ยผัวในสู็เลยเขาเลยจับหัวทีแรกก็คือไม่ยอมไม่ยอมโดยประการทั้งปวงไม่ยอมคารวะไม่ยอมรับโทษพวกพระเจ้าไปดีจับแข้งจับขาอะไรเขาเมาใส่เท้าของฤาษี หนุ่ม น, นนะน่ะหรือสีหนุ่มเออเอาอผมให้อภัยผมไม่ถือโทษโกรธเคืองนายาจารย์เนี่ยที่ท่านอาจารย์สาปแช่งผมนะ่ะแต่ว่าถึงยังไงก็เถอะอาจารย์ไม่ได้คารวะโดยน้ำใจเพียงแต่ว่าพระเจ้าเป็นดินจับให้ตำรวจทหารจับให้คารวะเท่านั้นเองเพราะนั้นยังไม่สุดสิ้นอ่างั้นอาจารย์ต้องไป มุดลงไปอยู่ในน้ำแล้วเอาดินหัวพวกศีษะเวลาพระอาทิตย์ขึ้นมาแล้วจะค่อยมุดไปทางอื่นน้วัพระเจ้าไปดีก็เ อ, อะไรให้ตำรวจจับลงไปอย่างที่ว่าน่ะพอคลายลิศพระอาทิตย์ก็โผกขึ้นทันทีหรือสีกับมุดน้ำทันทีว่างั้นเถอะดินเหนียวก็แตโกโพอะไรว่างั้นเถอะนี่ล่ะอันนี้ท่านบอกว่า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 ติดพบติดชาตดมางั้นแตะนี่แหละอันนี้คือซาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเกิดเป็นคนต้องเป็นผู้มีเหตุผลต้องยอมฟังเหตุผลของคนอื่นไต่ตรองเหตุและผลอย่าไปดันทุลังอย่าไปใช้ทิฐิมานะต่อกันถ้าการมีทิฐิมานะต่อกันเห็นกันเลยหญิงเขี่ยวหญิงฟันเหมือนกับหมาเนี่ย จ, จะกัดกันแห่แห่นะ อะรนใช่ไม่ได้เป็นคราวัตก็ไม่ดีเป็นพระเป็นเนนก็ไม่ดีเอ่เป็นผู้หญิงผู้หญิงไม่ดีทั้งนั้นแหละเอทิฏฐิมานะอยู่กับใครไม่ใช่ผลดีต้องฟังเหตุฟังผลต้องมีจิตใจกว่างขวางต้องมีจิตใจมีคุณธรรมมีศีลธรร ม, มไม่ถึงร้อยปีแลอะต่างคนก็ต่างไปแล้วใครจะเก่ง่็สามารถขนาดไหนก็เก่งไปเทัศจากนั้นก็ไปแล้ว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 ให้หมุ่มั่นในภาคปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาอย่างอยู่ในคิดในใจเหมือนกับภาคีิริ้วห่อทองแต่ส่วนใจใครจะดูถูกใครจะว่ายังไงเหมือนกับทาตัวทำใจให้เหมือนแผ่นดินถ้าทำได้อย่างนั้นอยู่ที่ใดก็อยู่ได้ทั้งหมดลมเย็นเป็นสุขไปที่ไหนก็พัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองไปพัฒนาท้องถิน่นไปพัฒนา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 ถ้าจะดูดาว่ากล่าวถึงจะโกรธให้ใครถึงจะว่าให้ใครก็มีเหตุมีผลไม่ใช่พูดพล้ำจาจากไปโดยที่ไม่มีเหตุมีผลมันก็ไม่ถูกอนคน ท, ที่เราถูกราว่าเขาก็ใจไม่ดีเสียใจถ้าเขาทำผิดจริงเราว่าถึงจะเสียใจเพราะมันก็ททำผิดอย่างที่เราว่าเพราะว่า การอยู่ด้วยกันมันก็ต้องมีกฎต้องมีระเบียบต้องมีหลักธรรมพินยัยว่าตามกฎระเบียบว่าตามหลักธรรมพินัยถ้าว่าเราไปอยู่ในสถานที่หรือไปอยู่อย่างวัดของเราอย่างเนี้ถ้าคนไม่ดีขึ้นมาะเราก็ต้องบอกว่าอยู่ที่นี่ไม่ได้เพราะท่านทําตัวไม่ดีไม่เหมาะสมที่จะอยู่ที่นี่ไปอยู่ที่อื่นอย่างนี้เพราะว่าการมาอยู่ที่นี่ไม่ได้เเพราะไม่เหมาะสม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 ชาดกที่พูดขึ้นมานั่นก็คือให้พยายามดูตัวเองอย่าเป็นผู้วาอยากสอนอยากให้เป็นผู้มีเหตุมีผลในการเป็นอยู่ทุกๆคนน่ะถ้าเป็นอย่งงางนั้นได้ก็มีแต่ความร่มเย็นผ้าสุกน่ะถึงจะอยู่เท่าแก่ชะลานานไปขนาดไหนก็ตามมีแต่ความอยู่เย็นเป็นสุขนะ่ะแต่ทางหัวถือหัวรั่นน่ะไม่ยอมฟังใครแล้ยากไหอยาก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 ตนนั้นผู้เผยเจ้าจึงวางกรรมฐานไปสี่สิอย่างอันนั้นพอประมาณนะไม่ใช่ว่าควบคุมบททุกอย่างทุกคนต้องปฏิบัติได้ทั้งสี่อย่างหรือว่าทั้งสี่สิอย่างนั้นไม่ใช่ว่าปฏิบัติไปทีละอันละอันละอันอันจนถึง40บไม่ใชเ่เราจะยึดอันใดอันหนึ่งเป็นหลักในสี่สิบอย่างนั้นคืออาการของโรคของคนนะไม่เหมือนกันถ้าเราปวดทออ้องเราจะไป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 าาราคะจริตโษสาจริตโมหะจริตวิตกจริตพุทธจริตมันมีหลายจริตมีหลายแนยวความคิดของแต่ละคนนะถ้าว่าคนใดชอบในความสวยงามลักไปในทางกามราคะท่านก็ให้พิจารณาถึงอสุภะยึดอสุภะเป็นหลักถ้าว่าใครวิตกกังวล สอบหลมหลงลืมเอาเรื่องเก่ามาคิดมาปรุงมาฟุ้งมาสั่นท่านให้กำหนดลมหายใจเข้าออกกำหนดลมหายใจให้มีสติกับลมหายใจเข้าออกแต่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าการกำหนดลมหายใจเข้าออกพร้อมกับบริกรรมพุทธโทถูกกับเกือบทุกจริตแต่มานนะนนไม่ใช่ว่าทุกทุกจริตนะถูกกับเกือบทุกจริตท่านว่ายอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงแนะนําให้ภาวนา กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยแหละเป็นหลักแต่กรรมฐ า, าน4ี่สิบอย่างนั้นก็คอยศึกษาแล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขตัวเองถ้าว่าเราภาวนาไปแล้วมันจิตใจมันเป็นยังไงปงฟุ้งซ่านยังไงก็ถามครูบาอาจารย์ถามหมูถามเพื่อนถามที่ท่านผู้ปฏิบัติกรท่านก็จะอธิบายให้ฟังว่าื อ, อควรจะเปลี่ยนกรรมฐ า, านอย่างนี้อย่างนั้นนะ แต่ถ้าเราเปลี่ยนกรรมาฐานบ่อยก็ไม่ดีเหมือนกันเรือกเ็เปลี่ยนเอาเปลี่ยนเอาเปลี่ยนกรรมฐานจับจดอยู่เรื่อยเหมือนกับคนเปลี่ยนยาอยู่เรื่อยกินมันรั่ถูกแล้วไม่ถูกก็ไม่รู้เปลี่ยนเอาล่ะผลนั้ถูกก็เลยไม่รู้จะกินยาอะไราะฉะนั้นถ้ากินยาก็ควรจะทานยาเข้าไปสักทดลองดูสักสามสี่ห้าวันแล้วเป็นยังไงถ้ามันถูกก็เออมันถูกกับจริตเนี่ยก็ใช้ยาประเภทนั้นต่อไปแต่ถ้ามันไม่ถูกกินเข้าไปแล้วก็ยิ่ง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 ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นไปถึงบ้านช่วงไหนว่างๆไม่มีอะไรเราก็พยายามนั่งหาที่สงบสงบนั่งภาวนาหนะ้านาทีสิบนาทีแต่ละวันหรือว่าก่อนหลับก่อนนอนคลยๆกัเปลี่ยนเรียบทเดินในชานข้างหอกก็ได้พุโทโธพุโทโธให้เขาดับในโทระทงโทรทัตนะจากนั้นกนภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธ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 คิดอะไรไตรตรองอะไรก็มีเหตุมีผลไม่เป็นกระต่ายตื่นตูมเขาว่านั่นดีว่าอันนี้เนี่ยกระโดดไปตามที่เขาว่าแต่เรามีหลักแล้วเราต้อ ง, ต, องต้องยึดหลักเออเราจะไปกระโดดไปอะไรมากมายเราไปทําไมมนุษย์ชาติมันก็เป็นมาอย่างนี้แหล ะ, ะเกิดแก่เจ็บตายถึงจะดีเดชขนาดไหนก็จะไม่ถึงร้อยปีก็ต่างคนต่างไปแล้ว เราก็ควรจะอยู่ในกรอบของของเราแต่เราไม่ไม่ใช่งอเมืองอเท้านะขี้เกียจขี้ข้านไม่ควรจะมีควรจะหมั่นขยันอดทนรู้จักเก็บรู้จักหารู้จักใช้รู้จักมองอดีตอนาคตมองปัจจุบัน ใ, ใช้ให้รอบขอบทำยังไงจึงจะเป็นบ่อแห่งทรัพย์ที่เกิดขึ้นมาได้เราก็พยายามทำในสัมมาชีพนั้น เป็นคนขี้เกียจขี้ค้านไม่ได้มีแต่กินไม่รู้จักหามันไม่ได้เลยเนมันต้องรู้จักหารู้จักเก็บรู้จักใช้เนี่ยนี่ก็คือการเป็นอยู่ของมนุษย์ชาติต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าด้านจริยธรรมภายในใจเนี่ยอย่าให้ขาดตกบกพร่องการนั่งภาวนาอย่าให้ขาดตกบกพร่องอย่างที่กล่าวมานั่นแหละทําให้สม่ําเสมอสําหรับเป็นครวาตสําหรับพระเราไม่ต้องว่ากันแหละ ตั้งแต่ชั้นจังหันเสดแล้วก็เอาเข้าประจําที่ทิศทางของตนเองจะนั่งภาวนานอนอยู่ที่ไหนก็ตามเดินอยู่กลม เ, เดินกลับไปเดินกลับมาพุโทโธพุโทโธให้มีสติอยู่กับตัวเองไม่ต้องคิดปุงฟุ้งทางอื่นเพราะนาที่ของเราคือเป็นพระเนี่ยต้องภาวนานะ่ยคือหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมฐานกรรมฐานไม่ได้ศึกษาทางอื่นเนยไม่ได้อ่านตำรับธรรมราไม่ได้เอาไปสอบนักธรรตรีโทเอกเหมือนกับ ทางฝ่ายประยัดเขาเราคือหน้าที่อันเดียวคือภาวนาเอาหลักเลยว่า ง, งั้นเถอะ เ, เดินทางเลยพอรู้แนวทางแล้วก็เดินทางเลยลงมือปฏิบัติในการเดินทางเลยเส่วนประยัดนั่นต้องดูแผนที่สะก่อนเรต้องดูแผนที่อ่านเขียนแผนที่ศึกษาแผนที่ศึกษาแล้วศึกษาอีกดูแล้วดูอีกบางคนก็ไม่รู้จักทางเดินช่ว้สามไปแต่พวกเราเนี่ยครูบาอาจารย์แนะนาสั่งสอน แผนที่ให้แล้วก็เดินตามที่ครูบาอาจารย์บอกกล่าวคือเทปหนังสือที่พวกเราได้ศึกษานั่นแนหะแล้วก็อาศัยขานได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์อย่างวันนี้ลนะ่ะวิธีนั่งสมาธิทำยังไงอย่างนี้ก็พูดมาหลายครั้งต่อหลายหนสําหรับเบื้องต้นในการภาวนานะอันนี้ก็คือวิธีการภาวนาจากนั้นก็เมื่อจิตสงบ เป็นหลักเป็นฐานพอสมควรแล้วก็นํามาพิจารณาทางด้านปัญญาพิจารณาถึงความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยร่างกายสังขารเนี่ยมันจะอยู่ได้นานสักเท่าไหร่อีกสักวันหนึ่งมันจะต้องแตกสลายในที่สุดอันนี้ก็มาวิเคราะห์เอามาคิดเมื่อตายไปแล้วทํำยังไงอย่างเนี้ยวันไหนก็มีแต่ได้ยินแต่คนตายเลยจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันเนี่ย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 ดูไม่จืดเหมือนกันนะลิ้นจุกปากเลยแ่ะเหม็นยิ่งกว่าเหม็นอีกแต่ทุกวันนี้เขามียาโฟมาโรนโฟมารินอะไรเขาฉีดเข้าไปเนี่ยก็ทำให้ศพไม่เน่าแต่ทึงยังไงก็ดูแล้วก็ไม่น่าดูผิวดำคล้ำไปหมดเนี่ยพอจากนั้นเอาไปเผาไฟเผาไฟได้อะไรจหอมีแต่กระดูกกองอยู่นั่นนะทุกคนเป็นอย่างนั้นแหละ เพราะนั้นเราจะกระตือหรือล้นอะไรเอผิดอกผิดใจอะไรมากมายก็ไม่ได้จะไปยึดมั่นถือมั่นเกินไปก็ไม่ได้เพราะนั้นรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักเอาธรรมะมาประครับประคองทางด้านจิตใจเยตัวเองสามีภรรยาลูกเต่าเล้าหลานต่างคนต่างมาก็ต่างคนต่างไปเราจะไปถือคนอื่นมากกว่าตัวเองหรือมากกว่าศีลธรรมมันไม่ถูกเลยต้องรักตนเองนั่นแหะ ให้นำตัวเองมาประพฤติธปฏิบัติในศีลในธรรมนั่นน่ะไม่ใช่มาวัดก็ได้มาอยู่ที่บ้านก็ได้แล้วรักษาศีลที่บ้านก็ได้นั้นรักตัวเหมือนกันนั่นน่ะไหว้พระสวดมนต์อยู่ที่บ้านก็ได้แต่โดยมากถ้าอยู่ที่บ้านบ่อยๆมันจะจืดจางเลือนรางไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเขามาวัดวาศาสานาเนี่ยคล้ายๆว่ามาชาร์จแบตเตอรี่ครั้งหนึ่งมาได้ยินครูบาอาจารย์มาเห็นหมู่เห็นเพื่อนเห็นพระสงฆ์องค์เจ้า เห็นพักเห็นพวกเขาวัดวาศาสนาะคล้ายๆเขาบอเป็นการชาร์จแบตเตอรี่สำหรับตัวเองถ้าเราปล่อยปะละเลยเราปฏิบัติแต่ตนเองอยู่ตามลำพังต่อไปต่อมาก็เจริญจางไปเรื่อยเรื่อยผลนี่สุดก็เลยจะไม่เชื่อเอาจนได้เพราะกิเลสมันดึงลากไปในทางที่ไม่ดีเนียมันดึงลากไปทางเลวเน้ยมันดึงลากไปลงทางต่ำเพราะนั้น ควรจะเข้าวัดวาศาสานาได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์ไว้นั่นดีจากนั้นก็ลงมือประพฤติปฏิบัติด้วยตนเองอย่างที่กล่าวมานั่นแหละสําหรับครวญญาติโยมอย่าอยู่ด้วยความประมาทสั่งสมบุญกุศลเอาไว้ในภพนี้ชาตินี้บา ร, รมีของพวกเราบุญกุศลของพวกเราคงจะเพียงเท่านี้แต่ว่าพวกเราสั่งสมบุญกุศลใส่ตัวเองแล้ว พบหน้าชาติหน้าก็คงจะดีขึ้นนะเพราะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมเอาศีลธรรมเข้าสู่จิตใจของพวกเราพวกนั้นพวกขอให้พวกเราทุกๆท่ทานนะอย่าประมาทพวกนี้ชาตินี้นับว่าบุญเนยได้มาพบพุทธศาสนาได้มาพบบัณฑิตนักษิณ บัณฑิตนักปราชญ์ก็คือทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละนั่นแหละคือบัณฑิตนักปราชญ์ไม่ใช่ว่าคนใดคนหนึ่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ใช่เยึดคำถ้าทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าศีลหนั่นคือนักปราชญ์ทานนี่คือนักปราชญ์ศีลคือนักปราชญ์สมาธิคือนักปราชญ์ปัญญาคือนักปราชญ์บัณฑิตนักปราชญ์นั่นะพระธรรม คำสังสอน 84% พันระธรรมขันธ์นั่นะคือบันฑิตนักปราชญ์เราควรจะเข้าไปศึกษานั่นะให้มากๆนะ